เหมือนสระหรือบึงน้าใหญ่ที่มีน้ำนิ่งไม่มีลมพัดต้องไม่มีสิ่งรบกวนให้กระเพื่อมไม่พลิ้วไม่สั่นไหว 3. ใสกระจ่างมองเห็นอะไรอะไรได้ชัดเหมือนน้ำสงบนิ่งไม่เป็นเริ่วคลื่นและฝุ่นละอองที่มีก็ตกตะกอนนอนก้นหมด 4. นุ่มนวลแคล้วคล่องโคนแก่งงาน